ซีดีธรรมบัญญายชุดรักนั้นดีแน่แต่รักแท้ดีกว่าโดยพระพรมคุณาพรคอ อ, อปยิตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพราณจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองจากวาเลนไทน์สู่ความเป็นไทย บรรยายเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2536คุณนี่จะหาไม่แม้โอกาสแบบว่ามีนี้เด็กยนี้จะยอมรับได้ห วัยรุ่นหนุ่มสาวกลายเป็นแฟชั่นเลยค่ะ <c oughs> คืออย่างชาวบ้านไทยเนี่ยมันจะต้องหาดอกไม้ขนม <c oughs> อะไรเงี้ยคือตามธรรมเนียมปะการเาก็จ <c oughs> ะทำกันนะท่าเด็กไม่ใช่คนที่ชอบก่อ <c oughs> นอันนี้มันก็จะต้องมีแง่อันการทําเรื่องนี้นะก็คือว่า <c oughs> นอกจากเรื่องตัวความรักที่จะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องแล้ว <c oughs> ก็คือพฤติกรรมในการแสดงออกอย่าง เป็นการที่ไปสวมรับวัฒนธรรมตอวันตกเราควรทําได้ปัญญาอย่าให้เขาดูถูกได้ว่าเป็นคนที่ไร้สติปัญญาจนเลยสักแต่ว่านธรรมตามเข้าไปหนึ่งรู้ไหมว่าประเพณีวาเลนไทน์เกิดขึ้นได้อย่างไรับแล้วมันมีความหมายที่แท้จริงอะไถ้าเราสักแต่วัฒนธรรมตามตามจนไปนี้เราเป็นคนไม่มีอารยธรรมน เ, เป็นคนที่สมเป็นประเทศบาร์บ ทีนี้ก็เรามองในแง่ของเราเราจะนึกว่าเออทําอย่างฝรั่งนี่มันโก้มันดีเลยเพราะเราลึกๆนั้นก็คือเรามองเห็นว่าเขาจเจริญกว่าเราหรือเขาเก่งกว่าเรารรเขาดีกว่าเราจึงรู้สึกว่าเราทําอย่างนั้นแล้วเราจะคือเรายอมรับความด้อยใช่ไหมเราโทษดีกว่าโทษสูงกว่าเราจึงรู้สึกว่าเฮ้เราโก้มาทําตามอย่างนี้เี็นการ ทีนี้เราก็อาจจะสบายใจที่ได้ทำอย่างนั้นดีใจที น, นี้มองแง่ที่หนึ่งมองจากแง่ตัวที น, นี้มองแง่ที่สองมองจากแง่เขาสมมติว่าเป็นฝรั่งมาเห็นเราทำเขาจะรู้สึกอย่างไงอาตมาเคยนั่งรถเนี่ยผ่านไปเห็นไอ้พวกอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าบางห้าง ตอนจะขึ้นปีใหม่นะฮะเอ่ r เมริคริสมาจนแฮปปี้นิวเยแล้วยังแถมทำรูปกำลังเล่นส ก, กีบนหิมะนะนะประเทศไทยมันมีหิมะให้เล่นทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าฝรั่งเขามาเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเราอาจจะมองเป็นก้อจริงแต่มองจากแง่ของฝรั่งเขาดูถูกไหมเขาเยียดยาโอ้โ oh, ห oh, พวกคนไทยนี่มันมัน มันหลงจนกระทั่งว่ามันไม่ได้คิดถึงสภาพความเป็นจริงไม่ลืมหูลืมตาเลยเลยเนี่ยว่ามันมีหิมะให้เล่นหรือเปล่านะทํากันไปอย่างไร้เหตุไล้ผล<ม>เขามองแล้วเขาจะเยื่อหยันในใจเขาดูถูกนะฮะนี่ประเภทหนึ่งความรู้สึกของฝรั่งอันที่สองเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ดีแล้วพวกนี้ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหง<ม>่<ม>หัวไม่ขึ้นอยู่ใต้อํานาจเราตลอดไป ใช่ไหมาาอมจาจจะสายสินค้าหรือจะอยู่ในใ<ช>ความเป็นทาต ท, ทางวัฒนธรรมก็ตามใช่ไหก็คืออยู่ใต้เขาตอลอดไปอันนี้อาตมาว่าคนไทยเนี่ยในระยะที่ผ่านมาเนี่ยได้เคยชินกับนิสัยเป็นนิสัยของจิตเลยที่จะเป็นพวกตามและรับ<ช>อคอยรับเอาจากเขา<ช>คือ สภาพจิตเนีนึกแต่จะรับเอาจากสละแล้วก็เมื่อคอยรับเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้ตางเมือม่อคอยแต่จะรับก็ย่อมต้องตามเขาเรื่อยไปใช่ไหมฮะจะรับเอาเนี่ก็ต้องคอยตามเขาสิถึงจะได้เราไม่คิดบ้างหรือว่าเราเป็นผู้นําได้ใช่ไหมเราจะต้องสร้างจิตสํานึกนี้ขึ้นมาการที่เราจะเป็นผู้นํา คือการที่เรามีอะไรจะให้ับเขาบ้างเราจะต้องนึกถามตัวเองขึ้นมาว่าเรามีอะไรให้กักเขาบา้างมในแง่ของสติปัญญาหรือจะเรียกว่าภูมิปัญญาหรือในแง่ของสิ่งอะไรที่ดีงามที่เป็นประโยชน์มีอะไรที่ตัวเองจะรู้สึกว่ามีให้แกผู้อื่นที่จะภูมิใจได้ไม่ใช่แต่เพียงเป็นผู้คอยรับคอยตา ก็จะต้องปลุกจิตสำนึกในความเป็นผู้นำที่ผู้ผู้นำซึ่งมีอะไรที่จะให้แก่เขาบ้างอันนี้อตมาว่าสําพันว่าหากาว่าเด็กระยอชนของเราที่จะเป็นอนาคตของชาติเนี่ยยังมีลักษณะนิสัยจิตใจแบบผู้ตาผู้รับอยู่อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าจะนำประเทศไท ย, ปยไป<ม>นีมก็จะต้องรีบกันตื่นตัวขึ้นมามีความสานึกในการที่จะเป็นผู้นา ผู้ผู้นำที่มีอะไรจะให้แก่ผู้อื่นบ้างอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญการรับวัฒน ธ, นธรรมอะไรก็ตามนี่ให้ถามตัวเองว่าเป็นการกระทาแบบของการเคยชินต่อนิสัยที่จะรับจะตามหรือไม่และเป็นการที่ยอมรับความด้อยของตัวเองหรือเปล่าเพื่อนคน เขาเคยมาขอหนังสือทำคำมากไปให้เขาก็จัดมาัสือไปให้เพืนผู้ใหญ่เขาก็เห็นบอกว่าหสือใหญ่ๆมีความรู้ทางด้านกจศาสนาผู้คนนั้นเขาก็รับไปแล้วก็ไปอ่านเขาก็ถูกใจมากกลับมะขอคุมซื้อไมโครเวฟมาให้เพื่อนหนังสือธู้ศาสนามาให้เาเขาบอกว่าเวลาที่ ไปต่างปร ะ, ะ, ะเทศคือเวลาก็ไปเป็นทูอตอยู่ตามเนี่ยเจอฝรั่งเจอใครกับใครเนี่ยไม่ว่าความรู้ที่เรียนมาด้านไหนแต่ให้เก่งฉลาดยังไงเนี่ยพูดอะไรออกมามันก็เฉยเพราะว่าเราเรียนรู้จากเขาคือเขาได้จะ ก, ก้าวไปกับเราหลายครั้งก็มีสิ่งเดียวที่ฝรั่งถามทุแรศถามอีกคือพุทธศาสนาคืออะไรเพราะเขาไม่มีเขาก็ตอบไม่ได้ก็บอกเขาก็อายมากอ่ะแต่เขาก็จะหาความรู้ที่ไหนเขาเา คืวกก็รู้สึกมองโหดที่ว่าระบบการศึกษามไม่ได้สอนสิ่งีงแล้วพกก็ตอบอหลังไม่ได้แล้วพก็พยายามอยากจะหาหนังสือที่ดีอ่านพกก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วตอนนี้ทางระทรงการต่า ง, งประเทศมีคอนมรมากขึ้นที่จะออกเกี่ยวกับาศาคือในแง่ของต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบพอมีการเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยปั๊บ มันก็จะมีการมองกันในแง่ใครเหนือไทรด้อยนี่ถ้าใครเป็นผู้รับผู้ตามนั่นก็แสดงความดอยอยู่นนในตัวชัวระเจ้าต้องมีอะไรให้แก่พู้รับถ้าเราจะรับอะไรนี่เราต้องรับอย่างมีสติปัญญาใช่ไหมรับอย่างมีความเข้าใจแล้วก็รับเอามาที่จะมาทําให้เกิดประโยชน์ว่าทํายังไงให้เกิดประโยชน์แก่สังคมของเราได้ และก็มาเป็นตัวประกอบเสริมให้เราเนี่ยได้มีคุณค่าบางอย่างมันดียิ่งขึ้นหมายความเรามีดีบางอย่างอยู่แล้วเอาของเขามาเสริมแล้วเราก็จะเหนือยิ่งขึ้นไปนะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมอริยธรรมต่างๆที่มันจเจริญการมามันต้องอาศัยการรับจากอาริยธรรมอื่นนะฮะอริยธรรมตะวันตก ที่จเจริญขึ้นมาเนี่ยโอ้โห <c oughs> แกรับจากที่ไหนไม่รู้ <c oughs> อย่างภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีภาษาอังกฤษแท้กี่เปอร์เซนต์ไปจากภาษาอะไรต่ออะไรเยแยกไปหมดนะรับเข้าไปรับเข้าไปนีแต่ว่ามันมีอยู่ว่าเขาเป็นหลักแล้วอีกอื่นมาเสริมใช่ไหม <c oughs> พอได้หลักอันอื่นไปเสริมแล้วเขาก็ยิ่งสบายเขาก็ยิ่งงอกงามยิ่งเจริญยิ่งเด่นใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าไม่มีหลักนั่นเลยหมดเลยกลายเป็นตัวก็กลายเป็นตัวตามเป็นตัวด้อยไปเลยใชทีนี้ถ้าคนไทยเราจะรับอะไรจากฝรั่งหรืออารยธรรมหรือนวัฒนธรรมอื่นเนี่ยต้องจับหลักของตัวให้ได้ก่แล้วไอ้ส่วนที่ดีของคนอื่นเนี่ยเราเลือกเอามาเลยรเราเลือกอย่างรู้ทันและเอามาประกอบของเราปั๊บเราไปได้สบายเราก็จะอยู่ในภาวะผู้นำ อันนี้ปัญหาที่ว่าคืออย่างบรันทายนะคะคือเราเนี่ยรับเข้มาทั้งดุ้นเลยแล้วมันมีปัญหาไอ้เรื่องการที่เขาพยายามจะโปรโมตเพื่อจะขายสินค้าออันนี้ก็คือความรู้ไม่ทันเนี่ยลดสร้างค่านิยมเชื่อโฆษณาใชใช่เด็กเนี่ยรู้ไม่ทันแน่ๆอ มันก็จะไหลไปตามกระแสแรงมากกระแสธุรกิจใช่กระแสธุรกิจแล้วก็วัฒนธรรมก็เข้ามาเข้ามาด้วยคือไม่รู้ทันทั้งหลายขั้นขั้นที่หนึ่งไม่รู้ทันในต่ทประเญนีวาเลนไทน์มันเกิดขึ้นยังไงก็ทําไปตามเขาอย่างนั้นเองไม่รู้ความหมายว่าอะไรสองก็ไม่รู้ทันไอการที่เขามาโปรโมทกันนี้เขาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราทําไปแล้วเราอยู่ในฐานะเป็นอะไร เมื่อเราทํำยังรู้ไม่ทันเราก็กลายเป็นเหยื่อเขาไปเป็นเหยื่อหรือหนักเขาเป็นธาตุไปเลยอย่างนี้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ดคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเด็กเนี่ยการรับรู้เขายังจํากัดก็นั่นแหละต้องเป็นธาตุสิ่งนี้ได้ได้ง่ายมากก็จริงว่าต้องสร้างจิตสํานึกขึ้นมาอมีจิตสํานึกในการที่ว่า จะต้องปลุกคนไทยให้มีความเป็นผู้นําและเป็นผู้ให้แล้วพูดสร้างเด็กเงพวกครูบาอาจารย์รหยรอะไ ร, รทั้งหลายก็ไหลตามไปอย่าเขาด้วยก็ไปก่อนแล้วแล้วจะอไ้าก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เราก็ต้องหาจุดใดจุดหนึ่งมาเริ่มก่อนใช่ไหมมันจะเป่ก็นั่นแหละเวลามองเรื่องวัฒนธรรมให้ดูว่าเวลาเราทําพฤติกรรมอย่างนั้นสมมติว่าเจ้าของวัฒนธรรมเองเขามาเห็นเขารู้สึกยังไง เขาเห็นคนไทยเต้นยกยกยักแยกๆอย่างเขานั่นนะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกดูถูกะเราไม่เคยมองในแง่ของเขาบ้างเรามองแต่ตัวเองโอ้โหเราได้ทําอย่างงี้โก้ดีแต่เรานึกที่ฝรั่งเขามามองตามโอ้โหพวกนี้ไม่หูลืมหูลืมตาไม่รู้อะไรเป็นอะไรทําตามเข้าไปเห็นไหะเขาดูถูกะฉั้นต้องนึกบ้างเรามีอะไร มีอะไรดีที่น่าภูมิใจไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักที่น่าภูมิใจในตัวเลยหรือนะ <c oughs> ไม่ใช่ในแง่นั้นนะแต่ก่อนแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องปลูกมานะบางก็เอามาใช้ในแ ง, ง่นี <c oughs> ้มันจะเป็นประโยชน์กว่าที่จะเป็นมานะกันเองคือว่ามันมีมานะนะคือพวกนี้นะ่ะที่ไปเรียนแบบฝรั่ง เพื่อจะอามาอวดโก้แก่พวกตัวนี่ใชมฮะว่ามาข่มพวกตัวเองนี่มันกลายเป็นว่าเป็นเหยื่อเขาอยู่เบี้ยล่างเขาเสร็จแล้วก็มาข่มพวกตัวเองเพื่อจะกู้โก้ในหมู่พวกตนเด่นในหมู่พวกตนว่าทำได้อย่างฝรั่งแต่เสร็จแล้วไม่รู้ว่านั่นคือแสดงความด้อยให้ฝรั่งเนใช่ไหมนี่เราทำไงจะพลิกกลับได้ทาให้เราเนี่เหนือ ก็พลัดใช่ไ้ยโดยที่ช่วยนำพวกเราเองขึ้นไปใช่มอันนี้มันจึงจะถูกต้องกว่าถ้านะกลายเป็นว่าเรามาแข่งกันเองแล้วมาขัดกันเองตอนนี้วิธีการค่ะท่ารย์คือการไหลกันาการไหลกันของกระแสวันะตถุธนี้มันจะคืการถ่ายเทตอนนี้มันมีจุดหนึ่งที่ มันจะประสานกันที่จะเข้าใจกันได้ระหว่างชาติหรือระหว่างต่างวัฒนธรรมเในการรับการให้กันอยู่ตรงไหนที่ที่จะเป็นจุดที่พอดีที่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองของดุลนี้เอาไวไ้ก็มีความเป็นมิตรมีความปรารถนาดีต่อกันไม่เอารัดเอาเกรียบซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่วัฒนธรรมโน้นมาสแสดงออกต่อวัฒนธรรมนี้มา ออยเยื <All> mm ่อ hmm. เพื่อเอาผลประโยชน์บางอย่างกลับไปอย่างนี้ถือว่าไม่ซื่อต่อกัน mm hmm. ใช่ไหมเอาเปรียบเนี่ยทีนี้มีลักษณะนี้มีหรือเปล่าในการที่เขาเข้ามา mm hmm. ใช่ไหมนี่แสดงว่าเราก็ต้องรู้ทันหลักสําคัญก็คือการรู้เท่าทันใชเพราะฉะนั้นเด็กไทยต้องรู้เท่าทันเรื่องวัฒนธรรมอื่นว่าวัฒนธรรมอื่นที่เข้ามานั้นมันเป็นอย่าง เรื่องแต่และเรื่องที่เข้ามามันมีเหตุผลยังไงอ่าที่เราพูดถึงเรื่องอวัฒนธรรมที่มาคบกันแล้วก็หาจุดสมดุลที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่าง อ, อย่า ง, างไปได้วยกันได้อันนี้มันก็ต้องมองจุดหมายระยะยาวด้วย <ๆ S 2> ความจริงแล้วเราต้องไม่มีความรู้สึกหวงแหนกิตกันหรือว่า มัจฉริยะนะทางพระเรงมาจฉริยะเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของหมู่มนุษย์เนี่ยในที่สุดมันต้องประสานกลมกลืนกันแต่เราต้องมองว่าเป้าหมายระยะยาวจะสําเร็จได้ได้ดีอย่างไรใช่ไหมะันนั้นเราไม่แต่ว่าเราต้องกล้าไปอย่างมีขั้นตอนไม่งั้นมันจะพลาดแต่อตอน้นคือในตอนต้นเนี่ยมันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะเพื่อให้การประสานนั้นเป็นไปอย่างที่ มันมีความชอบธรรมหรือจะเรียกว่ามีความยุติธรรมด้วยแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นปมขึ้นภายหลังใช่มเพราะนั้นมันจะต้องมีความเสมอภาคกันในระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็ความเข้าใจดีต่อกันในการที่มาคบหาการมีความเข้าใจเราก็เรียนรู้เข้าใจเห็นใจวัฒนธรรมเขาเขามีเหตุผลเบื้องหลังที่เขาต้องเป็นอย่างนั้น แล้วเขาก็ต้องเข้าใจเราว่าเรามีเหตุผลเบื้องหลังภูมิหลังเป็นยังไงเช่เหตุผลในทางบาุตรศาสใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วก็ครบกันได้เราก็รู้ว่าอ๋อความแตกต่างทาวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ระหว่างวัฒนธรรมใหญ่ๆเท่านั้นแม้แต่คนในประเทศเดียวกันสังคมเดียวกันอยู่ต่างถิ่นกันมันก็ต้องมีข้อแตกต่างว่าภูมิหลังมันไม่เหมือนกันนะความแตกต่างนี้เราต้องยอมรับ แต่ละถิ่นจะให้ประพืชเหมือนกันยังไงละ่ะมันอยู่ภูมิหลังเหตุผลในแต่ละถิ่นสภาพแวดล้อมมันต่างกันใช่ไหมแม้แต่อย่าไปว่าถึงสังคมใหญ่ในแต่ละถิ่นแม้แต่ในถิ่นเดียวกันเนี่ยคนละบ้านมันยังต้องมีข้อแตกต่างเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนละบ้านคนละคนมันก็ต้องมีข้อแตกต่างพร <c oughs> คนที่สุดวัฒนธรรมไม่ใช่อะไรถ้าเรามองชาติประเทศหนึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่ง <c oughs> ก็หมายความมันมีลักษณะประจําตัว เราก็ต้องเคารพลักษณะประจำตัวของเขาก็ น, นี้ก็เหมือนกับคนสองคนเนี่ยมีภูมิหลังมีอะไรประพฤติสั่งสมมากิริยาการก็มีแบบของตัวเองนะทีนี้จะให้อีกคนนึงไปเรียนแบบอีกคนหนึ่งยังไงถูกไหมฮะมันไม่ถูกต้องเขาก็ต้องมีความประพฤติตามแบบของเขาเป็นโดยเหตุผลอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าแต่ละคนก็เรียนรู้จากกันเข้ามาคบหากันได้ยอมรับกันได้เข้าใจซึ่งกันและ แต่ว่าประโยชน์ที่ได้ในการพัฒนาตนคือว่าเออเราอาจจะได้รู้เรียนรู้เองว่าบางอย่างเราบกพร่องบางอย่างเราอาจจะเพิ่มเพิ่มไปถูกเราจะได้มีโอกาสปรับตัวเราเรียนรู้จากคนอื่นด้วยแล้วเขาก็เรียนรู้จากเราในแง่นี้ก็มันจะค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เป็นไปอย่างมีสติปัญญาเหมือนกับแต่ละวัฒนธรรมคนละสังคมมาพบกันอย่มงนีเมาคบหากันได้ดีแล้วก็ได้เรียนรู้กัน มันก็กลายเป็นเรียนรู้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงสัจธร่มเรียนแบบไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ทําแบบโง่เขาไปก็ทำไปไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมก็เหมือนจะคนสองคนอย่างที่ว่ามาคบกันแล้วใช่คนหนึ่งเรียนแบบทําตามกิยาการอีกคนหนึ่งไปเลยโดยที่ว่ามันกลายเป็นไม่สมจริงอันนี้ก็เหมือนกันแหละทำสัต่ว่ารู้สึกโก้รู้สึกอะไรไปนะ อนนี้ถ้าทำอย่างมีเหตุผลมันก็เป็นการปรับปรุงพัฒนาตนัวเองนี่ต่อไปนานๆเข้าเมื่อมาอยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็เหมือนกับคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็อยู่กันได้ก็ประสานกันคือในความแตกต่างก็เป็นทพียงส่วนที่มันมาหลากหลายในความที่อยู่ร่วมบางอย่างก็มาเป็นการประสานเสริมกันเลยช่วยให้มันมีครบถ้วนเพราะความแตกต่างบางอย่างนี่มันเป็นเครื่องเสริมให้สมบูรณ์ใช่ไหมคนนี้มีความสามารถด้านนี้คนนี้มีความสามารถด้านนี้ คนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านโน้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สังคมนี้มีความพลั่งพร้อมยิ่งขึ้นความหลากหลายนั้นก็ช่วยเติมให้สังคมนั้นมีความบริบูรณ์ไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันแหละก็บอกวัฒนธรรมทั่วโลกมาอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างเข้ากันด้วยลักษณะที่ถูกต้องในท่าทีที่เหมาะสมมันทําให้สังคมของโลกเนีนมีความพรั่งพร้อมกลายเป็นอริยธรรมมนุษย์ในส่วนรวมที่ดีที่เจริญก้าวหน้าในที่สุดมนุษย์ก็จะ ต้องคลายทีนี้ตอนนี้จะมีปัญหาคือมนุษย์นยจะมีไอความห่วงแหวนกีดกันกันเช่นขนาดนี้ปัญหาเรื่องสีผิวนะเรื่องเชื้อชาติอะไรต่างๆเรื่องศาสนาเนี่ยซึ่งมาแสดงว่ามนุษย์ยังไม่พัฒนาพอเพราะ<ำ><ำ>ว่าเมื่อพัฒนาพอแล้วทางพระบอกหมดมัฉริ ย, มรยนนะมัชริยะวันณะมัฉริยะความห่วงแหวนกีดกันกันได้เรื่องวันนะ่ะเช่นสีผิวกุลมัฉริยะ ความหงหนกีดกันกันด้วยเรื่องตระกูลก็ตระกูลนี้ก็คือหมายพวกนั่นเองแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งสังคม น, นะฮุละนี่ไม่ใช่หมายความแค่ตระกูลธรรมดาหมายถึงว่าเผ่าชนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังมีมัฉริยะอื่นๆแค่สองอันนี้ก็มนุษย์ก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วบอกว่าโสดาบันค น, <c oughs> คนพัฒนาไปถึงถึงขั้นโสดาบันเนี่ยไม่มีมรรยาเลย เพะนั้นเป็นจะเป็นสังคมอุดมคติปฏิวัา mm hmm. ทีนี้ในแง่ปุถุชนก็ต้องพยายามไม่ใช่ไปย้ำใ้มัรชยริยะทีนี้เราเห็นในสังคมในวัฒนธรรมต่างๆนี่นมันมีหลายสังคมที่เป็นแบบมัรชยริยะที่ไปเสริมย้ำใช่ไหม mm hmm. คือไม่ยอมที่จะไปกลมกลืนกับพวกอื่น mm hmm. นะถือที่จะต้องย้ำในของตัวเองแล้วก็บางทีก็ถือขนา <c oughs> ที่ว่าถ้าไปทำลาย วัฒนธรรมอื่นหรือพวกอื่นศาสนาอื่นแล้วชอบทบแต่กลายเป็นดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็หมดทางเลยสําหรับโลกดังนั้นถ้าไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องไม่มีปัญหารเรามองวัฒนธรรมต่างกันเหมือนกับคนสองคนที่มันก็มีความต่างกันเป็นธรรมดามาคบหากันแล้วให้มาได้ส่วนที่ดีมาประสานเสริมกันแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนากระตุ้นไปแล้วมาอยู่ร่วมกันได้ดีใช่ไหมไม่มีปัญหาเนี่ยผลที่สุดแล้ว เรามองให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการที่เรามีความระมัดระวังในเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่มีความภูมิใจเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองไปอย่างถูกต้องอย่างที่ว่าไม่ใช่เหมือนกับคนสองคนมาคบกันแล้วให้คนหนึ่งคอยเรียนแบบตามอย่างไปเรื่อยไปไม่ลืมหูลืมตาเห็น <c oughs> ไหมโดยเห็นเป็นโก้แล้วมันก็จะไม่ได้ลักษณะที่ดีแท้ไม่เป็นการพัฒนาตัวเอง <c oughs> เพราะการเรียนแบบไม่ใช่การพัฒนาใช่ไหม มันต้องเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบนะเ<ช>มื่อเรียนรู้แล้วเ้าปรับลงตัวเองอันนั้นได้เลย<ช><ช>นี้เราไปคบกับวัฒนธรธรมฝ ร, รั่งเป็นการครบแบบเรียนรู้หรือเรียนแบบนี่เป็นข้อถามเบื้องต้นเลย<ช>ถ้าเป็นการเรียนแบบแสดงว่าการศึกษานี่ไม่มีความนั่นไม่ใช่การศึกษาแล้วนั่นคือถ้าเรามองว่ามีกิจกรรมการศึกษาเป็นเป็นงานอย่างหนึ่งของสังคมนะ การศึกษานั้นจะล้มเหลวหรือเปล่าใช่ไหมฮะการศึกษาจะต้องสอนคนให้เรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบดตัวอย่กันที่เราอนนั่นเเลยก็แล้วแต่เงินเก็แสดงว่าการที่เราเรียนแบบบริสไทยเนี่ยก็เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาสีก็มันไม่มีการศึกษาเพราะการศึกษาต้องเริ่มจากการเรียนรู้ครับเมื่อไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่ใช่การศึกษาใช่ไหม การเรียนแบบไม่ใช่การศึกษาเการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบใช่ก็มีแต่ความรู้สึกโก้ตามเขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวทำเช็นไหมไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรไม่เข้าใจเหตุผลในเรื่องนั้นแล้วไม่เข้าใจคุณโทษประโยชน์ที่ต้องการว่ามันจะมีประโยชน์แก่เราอย่างไรเห็นไหมทำเป็นโก้คือทําด้วยความรู้สึกโก้เท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะจบเห็นไหม ทันี้เอ่อคืออะไรนะอย่างวุฒิภาวะอย่าง m ั t u r ริตี้ของคนเนี่ยที่จะถึงขั้นที่เรียกว่าจะหาไอ้จุดที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยมันต้องอาศัยแบบการพัฒนาสติปัญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยมากแต่ขณะที่สังคมเนี่ยมันก็มีปัญหาตั้งแต่ไปหาจุดเล็กที่สุดครอบครัวไปต่างๆเนี่ยมันจะขัดขวางการพัฒนานี่คงเสกมากเลย คือทุกอย่างมันมันมันเป็นเหมือนดูเหมือนเป็นปัญหาที่มันมันขัดขวางการพัฒนาไปค่ะแตนี่ยไอ้การพัฒนาไอ้จุดนี้ขึ้นมาเนี่ยของคนในสังมัยจะต้องอาศัยผู้นําทางปัญญามากๆใช่ตอนนี้ก็ต้องมีการยานมิตรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่หาง่ายไม่ใช่หาง่ายก็สื่อมวลชนของเราเป็นการยานมิตรได้ไหมก็สื่อมวลชนเมื่อนําเสนอสิ่งต่างๆนําเสนอแบบอะไร โดยตัวทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือไม่ที่จะปลุกเร้าให้เขาใช้ความคิดสติปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่เพียงปลุกเร้าความต้องการกระตุ้นให้เขามีความต้องการขึ้นมาแต่โดยที่แม้แต่ตัวเองก็อาจจะมีแรงจูงใจแอบแฝงต้องการผลประโยชน์เป็นตน้นถ้าอย่างนี้ก็จบใช่ไหมสื่อมวลชนก็ไม่มีบทบาทในการพัฒนามนุษย์ไม่มีบทบาทในการศึกษา คือดูแล้วมันทุกจุดมันเหมือนจะเฟลไปหมดเงสือมวลชนเองก็ประกอบไปด้วยคนที่เข้ามาทํางานในในนั้นทจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาในในสิ่งที่เขาคิดเขาทำคือพวกนี้เขาก็ได้รับการสั่งสอนอบรมมาการศึกษามาก็ในสังคมที่มันปัญหาแยะคือเฟลไปหมดแล้วเกิดแท่ทุกอย่างอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ย่อมมาสร้างไอ้จุดต่างๆที่มันเสียหายในสังคมมาต่อไป แต่นี่ไงคะคือคือทำยังไงมันถึงจะมีวิธีการอะไรที่ที่เหมือนกับคือเรามองไปแล้วมันทุกอย่างมันปัญหาเยอะไปหมดหมายวาวงจอดรายมันเอมันวนไปวนไปเรื่อยคือเราจะทำอะไรที่มันมันมันมีผลในการแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดแล้วก็คือมีผลผลในวงกว้างนี่นะคะ ที่ว่ในที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่แต่ว่าในทางที่ดีที่ท่านพูดมาถึงทั้งหมดเป็นสังคมอุดมสมบูงงรณ์อย่างนี้ก็มีขั้นบิตอนแต่อย่างน้อยยอมรับความจริงเียวรับความจริงแต่ไม่ใช่ยอมรับแล้วยอมรับสภาพาายอมรับความจริงไม่ใช่ยอมรับสภาพยอมรับความจริงนี่ไม่ถ้ายอมรับสภาพแล้วเฉยค ก็กลายเป็นยอมตามครแต่ อ, อาจจะพูดอีกจำนวนหนึ่งว่ายอมรับความจริงแต่ไม่ใช่ยอมตามนั้นครับยอมรับความจริงเพื่อรู้จุดที่จะแก้ไ ข, ขทีนี้พอยอมรับความจริงแล้วเราจับจุดที่จะแก้ได้เราก็ไม่ยอมตามนั้นเราไม่ยอมปล่อยตัวไปตามนั้นเราก็แก้ไขทีนี้จะแก้ไขอ ย, อย่างไรแล้วก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่ามันหมักหมมมานานต้องแก้ยาก่า ถ้าไม่ยอมรับควาจริงนีดเดียวเราจะไปทอว่าโอ้เราแก้ทําไมไม่สําเร็จไม่ก้าน ะ, นะก็มันหมักผมมานานเราก็แจวว่าเราจะต้องที่พยายามแล้วก็เริ่มจุดไหนจุดหนึ่งขึ้นมาก็ได้จุดเริ่มซะกอ่อนนะแล้วก็หาทางขยายออกไปก็ปลูกเร้าอย่างน้อยเช่นว่าปลูกเร้าจิตสํำนึกแล้วถ้ามีส่วนในบทบาทในการศึกษาก็ให้การศึกษานี่หมกมีบทบาทในการแก้ให้ มากมากเพราะว่าตัวสําคัญก็คือการศึกษาที่จะผ่านในการเรียนแบบมาเป็นการเรียนรู้เนี่ยตอนนี้ผู้นําทางสติปัญญาให้สังคมนี่มมหายยากเลอจําเป็ น, ปนต้องมองออีก็จําเป็นนี่ก็แน่ก็คือการที่เริ่มด้วยการยานามิตรเพราะว่าเขาเองเขาไม่มีสติปัญญาก็ต้องมีการยานามิตรมีสติปัญญามาช่วยชี้มาช่วยแนะมาช่วย จี่จุยาวแล้วนันเนี่ยโอ้โหนั่นสิแล้วเวลาออกไปจะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่เล่มใหญ่ตอนแรกว่าจะเป็นบางบางแต่จะมีประโยชน์มากครับท่านนท่านเทศมาทั้งหมดนี้มประโยชน์จริงๆอ๋อขอขอหมดจะาเนอย่างเพราะคืออย่าง ไม่เคยที่หนูยังเสดใจอยู่เลยนะคะยังการรับรู้อะไรพวกที่ภาวะที่จะรับรู้ได้เองไม่ต้องอะไรคืออย่างหลักการของพระพุทธศาสนาใ่ไครับือก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจหรือคือเข้าใจได้วรับคือจะเข้าใจได้ง่ายๆหรือปฏิบัติตามได้ง่ายๆฉะนั้นคือเด็กมันจะต้องเจริญไวขึ้นมาถึงระดับหนึ่งที่เข้าใจ เขาจเออใช่เข้าใจอย่างอย่างคือยอมรับได้จริงข้างในจริงๆว่าอันนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตเขาท่องปประสบการณ์อือคือเฉะนั้นช่วงช่วงที่ก่อนนี่ก็จะถึงไอ้ไว้นั้นน่ะคือมีวุฒิภาวะโตพอที่จะรับรู้อันนั้นได้เนี่ยเนี่ยในช่วงนั้นคือช่วงสําคัญเนี่ยคือช่วงนี้เขาจาเป็นต้องอาศัยผู้นำเนี่ยซึ่งตอนนี้ถ้ามองไปเรื่อง คูหรือการศึกษาแล้วนี่มันมันมันเรวแล้วมันคือมันเหมือนกับโฮเปลส์นะไม่มีความหมายเลยก็นี่แหละคือสําหรับเด็กเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะใช้ความคิดเป็นของตัวเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแกก็มีความโน้มเอียงที่จะเรียนแบบแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเรียนแบบก็คือความรู้สึกโก้นะการเด่นได้สนองไอ แรงจุงใจที่เรียกว่ามาณนะความอยากเด่นอยากเป็นพิเศษเหนือใครอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวที่จะมาทำให้แกเรียนแบบนี้ก็คือศรัทธาแกศรัทธาแกมีความนิยมชมชอบแกก็จะไปตามนั้นใช่ไหมนี่แกมีความเชื่ออยู่ในใจว่าวัฒนธรรมตะวันตกมันจเจริญ คนฝรั่งเก่งไอความรู้สึกนี้มันฝังอยู่ก็ศรัทธาเนี่ยฝรั่งนี่แหละเมื่อศรัทธาเขาก็จะตามใช่ไหมนี้ไอในระยะ น, นี้ที่ไม่มีสติปัญญาพอทําไงก็ตัวแก้กับปลุกมานะมันขึ้นมาแต่ใช้มานะให้เป็นประโยชน์แทนที่เขาเอามานะนี้มาใช้นที่เขาตามฝรั่งก็เพราะมานะเพื่อเขาจะมาอวดพวกตัวเองใช่ไมเพราะว่าฉันแน่กว่าพวกเธอคือพวกเราได้กันในหมู่พวกเรานี่เราฉันแน่กว่า แต่ก็คือยอมรับว่าฉันนี่ยจะแย่แย่ย่อแย่หรือด้อยกว่าฝรั่งแต่ว่ามาอวดพวกตัวเองนี่เราก็ใช้มานะเนี่ยกลับมาเป็นอุบายปลุกขึ้นมาให้นึกถึงเช่นความเป็นคนไทยว่าไทยควรจะเป็นผู้นําได้หรือกระตุ้นเราไอ้ศักยภาพเขาให้เห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะนําได้อันนี้ก็แง่หนึ่งแล้แง่ที่สองก็คือว่าพร้อมกับนั้นเราก็ไม่ละทิ้งที่ต้อง ชี้แจงในเรื่องเหตุผลเรื่องความเข้าใจทางปัญญาด้วยนะในเวลาที่เราชี้แจงเนี่ยเด็กส่วนมากจะตามไม่ได้จะไม่เข้าใจแต่จะมีเด็กพวกหนึ่งที่มีปัญญาที่มีความเจริญเติบโ ต, ตทางสมองไหวใช่ไหมมีวุฒิภาวะขึ้นมาเด็กพวกนั้นเข้าใจและเด็กพวกนี้ซึ่งเข้าใจเนี่ย เก่งกัพวกเด็กเหล่านี้อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเด็กมันตามกันเองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้เด็กพวกนี้ซึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยพอพวกนี้ยอมรับได้ใช่ไหมพวกนี้ก็จะกลายเป็นเป็นตัวชักนํากันเองในหมู่เด็กเองนี่อีกสองสองอันแง่นี้เราก็จะได้ด้วยนี่จะต้องทําอันนี้ขึ้นมาขณะนี้เด็กที่เราว่าเก่งเนี่ยจะเป็นเด็กประเภทที่จะยอมรับความด้อยของตัว ใช่ไหมฮะไปยอมรับว่าตัวด้อยกับฝรั่งทีนี้มันมันไปแย่มากรงเนี่ยทีนี้ทําไงจะให้เด็กพวกนี้ยได้เข้าใจความจริงนะแล้วก็กลับมาเป็นผู้นําที่แท้ในหมู่พวกตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาฝรั่งมาข่มพวกตัวเองอแต่ทําตัวเองให้มีความมีคุณค่ามีความสามารถที่พวกเขายอมรับเอง ให้พวกได้กันยอมรับแล้วเขาตามกันนกตัไหกันนั่นลอกเขาแมวอมมือเขาทะเลาะนะทุกทีได้ยินเิยตอนนี้ก็ต้องปลุกกันหน่อยคใช่ลงคำถามรู้หัวนิดเดียวที่ตอนนี้เป็นแบบ แต่พอเห็นทางนะค่ะเอิ้นข้าคือ่อนแรกวู้เไปเรื่องในยัไงเพราะว่าเตุการที่คือมันคนชอบบทอย่างใหญ่งก็ไปอินเดียเนี่ยเขาว่าคือเขาจะชอบพูดว่าคนอินเดียเนี่ยพขรักษาประเพณีเช่นวันเพเดือนสิบสองเขาจะไปที่ริมแม่น้ำ็จะพร้อมใจกันมากนั่นเป็นหมดเลย แล้วก็จะเอามาเป็นข้อผิดพลาดวยกคนไทยนี่จะคิดหลักวมันคงจะอะไรต่ออะไรอันนี้ไอ้การที่ปลูกฝังเรื่องศรัทธานี่มัง่ายเนะการสอนที่ว่าเอออยู่จต้องทําอย่างนี้พระเจ้าอะไรอย่างงี้ยมันง่ายแล้วก็ทําให้คนนี่มารวมกันง่ายมากใช่แต่ที่การหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่อย่างงี้คืออยู่จะต้องมีจารคิดทีนะ่จะต้องยมรับด้วยใจทัง้งหมดแล้วยอวยู่ถึงปฏิบัติตามได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อจะถึงคา้นั้นเนี่ยมันจะต้องโตพอแล้วที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลรับรู้ได้แล้วจริงแล้วคือคือนั้นมันคือคือมันขึ้นดิอันศรัทธาขึ้นไปใช่จริงแล้วบางทีมันอาจจะต้องประสบประสาวกันอาระบาดสองส่อ้อออาวก็ก็พุทธศาสนาก็ยอมรับเงีเรื่องศรัทธาตอนต้นเราต้องใช้นะฮะแม้แต่เราต้องใช้มานนะ ที่มันได้ขัดเกลาออกขึ้นมาเป็นตัวแทนมารนะไอ้ที่มันผิดใช่ฮะอันนี้ก็คือใช้อกุโศลธรรมมาเป็นปัจจัยการกุโศกแต่ว่าเราผู้ที่จะทำเนี่ยมีความรู้เท่าทันเรื่องที่ทำรู้แนวรู้ทิศทางรู้เป้าหมายไม่ใช่ทำไปโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ย ด, ดีแล้วใ ช, ใช่ต้องเข้าใจจุดเดชกถาของทางพทุทธาสนก็ต้อ ง, องอ ป, ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นทางนาสู่ปรรยยัญญา ศรัทธานี่เป็นตัวฐานเป็นตัวที่จะเป็นสื่อโยงไปหาปัญญาศรัทธาตอนนี้ตอนนี้ศรัทธาของศาสนาอื่นใช้วิธรีข่มขู่อะให้อยู่ไม่เชื่ออยู่จะอย่างนั้นหนึ่งตอนนี้แหละศรัทธาแบบนี้มันมีภัยระยะยาวมันทําให้เบียดเบียนพวกอื่นแล้วเกิดทะเลาะบอกแวงกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่เป็นปัญหาสุดท้ายของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่นี่นะปัญหาที่มนุษย์จะตันเลยมนุษยชาติทั้งหมด ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศเนี่ยมันมันไปได้ถึงตอนที่ว่าไอ้ตอนนี้มันมีกลุ่มหนึ่งที่มีอํานาจเช่นปรากดสีสันอยู่ตัวเองก็จะถอนตัวให้พ้นจากการครอบงํำ <พอ S 1> ใช่ไหมทีนี้พอไอ้อํานาจที่ครอบงำหมดไปแล้วพอเป็นอิสระได้ตอนนี้จะมาทะเลาะกันอีกจะแยกกลุ่มกันแบบเนี้ยศาสนาเชื้อชาติผิวเนี่ยนะเหมือนสหัฐอเมริกันเนี่ยตอนนี้ก็มาตันที่จุด น, นี้ไปสิทธิเสรีภาพแต่ละบุคคลได้แล้ว ถึงจุดสบายไม่มีตัวค้อม ง, งำาทีนี้ทะเลาะ ก, กันเองอันนี้ตอนนี้แต่ละฝ่ายก็จะถือดูถูกกันบ้างยึดในเชื้อชาติบ้างอะไรงี้นะฮะไม่ยอมกลมคืนตับผู้อื่นถือว่าการทำต่อผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีบาปอะไรเงี้นะอะไรเงี้ยก็ตันตรงนี้เลยหรือในสังคมโลกก็จะแบบนี้ คงยึดถือในผิวในเชื้อชาติในศาสนาแล้วก็ปลูกความเข้ามาแรงนี้มันถอนยากถนะอนยากนี่แหละจะเป็นจุดที่ว่าประชาธิปไตยไปไม่รอดจุดนี้พระธมาถึงได้เตือนไว้ในสร้างสารรค์ประชาธิปไตยในที่สุดเพราะว่าหลุดพ้นเป็นอิสระมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจบแล้วจะมาตัานทุ่นี้ไอตัวนี้จะเด่นขึ้นมาแทนไอตอนนั้นมัน มีอำนาจมครอบงมก็นึกแต่อย่างเดียวทําไงจะสู้กับไอเจ้านี้ให้หลุดออกมาฮความอำนาจครอบงำนี้พ้นไปท่านั้นอันนี้แตกคุณๆๆบแล้วก็แย่งชิงกันเองแย่งชิงผลประโยชู์อันนี้ทีนี้ว่าถึงเรื่องประเพณีการยึดถือในประเพณีเนี่ยมันก็เกิดจากเหตุหลายอย่างต่างๆพวกหนึ่งก็คือความงมงายอย่างในอินเดียนี่เราไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีนะในการยึดถือประเพณี 1ความงมงายสองปฏิกิริยาเป็นปมหมนะคเช่นเคยเป็นเมืองขึ้นเขาเจ่ไหมไอ้ความรู้สึกเป็นปฏิปักษต่อผู้ที่เคยเข้ามาครองงามทำให้ยึดมั่นในของตัวก็แสดงปมขึ้นมาแนเป็นปมในใจไอ้แบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยมันไม่ได้เกิดจากสติปัญญาทีนี้ทำยังไงเราจะให้คนเนี่ยรักษาประเพณีด้วยความเข้าใจ คุณมค่าประโยชน์ที่แท้จริงใช่ไหมะเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าเราต้องพยายามประชาธิปไตยจะเดินไปได้ดีก็ต้องให้คนมีสติปัญญาอย่างนี้ใช่มฮะอันนี้ข้อสำคัญก็คือว่ามันไม่สามารถเข้าสู่แนวทางนี้ไอ้ความงมงายก็ไม่เอาไอ้ความรู้สึกที่เป็นปมที่เกิดเป็นปฏิกิริยาต่อผู้ที่เคยครอบงมตนก็ไม่มีแลไทยนี่ชัดไม่มี ใช่มเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเขาไม่มีปฏิกิริยาเรื่องนี้ก็เลยได้แต่เห่อตามเขาใช่ไหมกล <laughs> ายเป็นเห่อไป yeah, yeah, แทนที่จะมี <yeah. S 1> ความเป็นตัวของตัวเองใ ช, ใช่ไหมแต่สํานึกในคุณค่ามีสิ่งที่ดีของตัวเนี่ยเพราะนักธรรมาจึงบอกว่าพอไปไปนานๆเนี่ยเลยกลายเป็นมีนิสัยของความเป็นผู้รับและผู้ตามซึ่งเคยชินในจิตใจคนไทยปัจจุบันครับ จนตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึนงนักการเมืองผู้ปกครองประเทศเลยครับฮะมีสภาพจิตของความเป็นผู้รับและผู้ตามมากครอบงำคือพอ น, นึกอะไรปับ๊บมันนึกในแง่จะรับอะไรจะเขา่เาเขามีอะไรให้เราจะตามใช่ไหมโดยไม่รู้ตัวหรอกเราไม่โทษเขาเพราะมันปลูกฝังกันมานานมันเคยชินพอ น, นึกออะไรขึ้นปับ๊บในแง่ที่สัมพันธ์กับต่างประเทศในแง่ที่สัมพันธ์กับอารยธรรมตะวันตก พอ น, นึกปั๊บพอนึกเขามีอะไรให้เราตามให้เรารับอยู่ก็ตัว น, น, <ะ>นี้เราจะรับ อ, จจ ะ, อะไรจะเขา<ะ>ไม่เคยนึกเลยแง่ว่าพอนึกถึงสลางเฮ้เรามีอะไรให้เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนให้เขาสํานึกเพราะเขาไม่รู้ตัว<ะ>ตเขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในสภาพจิตแบบนี้แต่ผู้รับและผู้ตามจะเคยชินเราปลุกว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ในสภาพอย่างนี้น ะ, ะเราจะต้องเป็นผู้นําเขาได้<ะ>แล้วต้องมีอะไรที่จะให้แกผู้ eras. พอ น, นึกถึงเขาปั๊บเราต้อง น, นึกว่าเอ๊ะเรา ม, มีอะไรจะให้เขาใ่มก็เปลี่ยนจิตสํานึกนกนันใหม่เลแม้กระทั่งมีวงราชการชั้นสูงนะคะเป็นตลอดจกระทั่งหมดเลยเนาะจะนำอยู่ฝ่ายที่ต้องหาทุนนะเข้าประเทศไหคะต้องไปเจรจาอะไรก็อคือพยายามต้องหาเทพสุนทานที่เกิดขึ้นในประเทศถ้มีเหตุจะขอถุนเข้ามาได้นะใช่เนี่ยมันเคยเพราะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆมันทํากันมาจนจระทั่งลงร่องเลย จนกระทั่งว่าสภาพจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเวลานึกคิดขึ้นมาถึงฝรั่งปั๊บนึกว่ามีอะไรจะรับจะเข่าใช่ไหมอะเลยพอเนี่ยยอมรับความด้อยของตัวเองทันรับตามด้อยทาไงจะปลุกจิตสํานึกนี้ขึ้นมาคือว่าถ้าเราจะรับจะตามตอนนี้เป็นการเรียนรู้และมีความเข้าใจว่ามันจะมาเป็นส่วนเสริมอะไรแกเราใช่ไหม โดยที่เรามีหลักทั้งตัวเองแล้วเราจะนำเขาได้เป็นเรื่องอะไรตกลงว่าเราคงจะต้องเล่าเท่กันยามนานนะไอ้ปัญหาปัญหาที่ท่าเจอตรวจยังไงก็ต้องตรวจน้อยๆหนึ่งใจเถอะนะ